เมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้ฟังกันมาถึงตอนที่มีมนุษย์ผู้หนึ่งเข้ามาขอบวชกับพระเรวตะนะคะและพระเรวตะก็ได้ให้มนุษย์ผู้นี้ไปขออนุญาตจากบิดามันดาเสียก่อนพอพระเรวตะพูดบอกมนุษย์แบบนี้มนุษย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะขออนุญาตนั้นบิดามารดาคงไม่อนุญาตแน่ๆ แ, แล้วเมื่อรู้ว่าไม่อนุญาต พระเรวตะก็เลยไม่ได้บวชให้เพราะว่าผู้ที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากวิดามานดาเสียก่อนทีนี้เมื่อไม่ได้บวชพระเรวตะจึงได้แสดงธรรมอันเหมาะแก่ฐานะของเขามานพู้นี้ทราบซึ้งในรสพระธรรมอย่างมากแล้วก็ลาจากไปต่อมาพระเรวตะได้เล่าเหตุการณ์ร้าย อันยากที่จะลืมได้ที่เกิดขึ้นในพระเวลุวนารามให้แก่เพื่อนพระพิสุฟังเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันต่อไปค่ะ ดูก่อนท่านผู้มีอายุประมาณ8ปดปีก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราจะเสด็จดับขันปรินิพาน์ได้มีเหตุการณ์อันร้ายแรงเกิดขึ้นในนครราชครืซึ่งข้าพเจ้าในฐานะเป็นสังฆปรามโอกอยู่ที่พระเวรุวรรณารามได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมันเป็นเหตุการณ์อันน่าเศร้าซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ในสังคมมนทนอันบริสุทธิ์และในมครรฐอันมีประวัติศาสตร์บริสุทธิ์ผุดผ่องมาตั้งแต่โบราณกาลแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นไปอย่างไม่มีวันจะกลับคืนมาแก้ไขได้ทุกครั้งที่หวนนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดความสังเวชสะลุดใจอย่างลึกซึง้งจนไม่อยากจะหวนคิดถึงมันอีกแต่มันก็ได้สร้างรอยประทับอันเด่นชัด ไว้บนแผ่นใจของข้าพเจ้าจนไม่สามารถจะลืมเลือนลงได้ง่ายๆข้าพเจ้าจะนำมาเล่าถวายพอเป็นเครื่องประดับความรู้ของท่านผู้มีอายุคอยสะดับเถิดข้าพเจ้าจำได้ว่าคราวนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขิมหันตรดูแต่อากาศในหุบเขาแห่งเบญจกิรีนครก็ร้อนอบอ้าวผิดปกติคล้ายกับ จะเป็นลางบอกว่าเหตุร้ายกำลังจะเกิดขึ้นพระสุริยเทพกลาดแสงอันร้อนแรงลงสู่โลกดุจจะเผาชมพูทวีปให้ไหม้เป็นจุนวิจุนไปก็ปานกันใบ ไ, ไผ่ในบริเวณพระอารามที่เคยเขียวกระจีได้กลายเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นลงสู่พื้นเป็นสา ย, สายเมื่อถูกลมโชยพัดรุกขชาติชนิดอื่น ก็สลัดใบเช่นเดียวกันมองไปทางไหนพบแต่ต้นไม้ที่ปราศจากใบยืนต้นโกรนดุจต้นไม้ที่ตายสึกเนื่องจากฤดูแล้งการไปมาสะดวกพระสงฆ์ส่วนมากในอารามจึงจากอารามสัญจรไปในทิศทั้งสทํทำให้พระเวรุรณารามดูเงียบเหงาดุดวัดร้างแม้พระสงฆ์เจริญอยู่เป็นจำนวน น, น้อย แต่ในวันอุโบสถวัน8ดคัมสบห้าคัมพระเวรุวันก็ยังคงคึกคักเกลือนก่นไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่มารักษาศีลและฝั่งพระธรรมเทศนาแม้องค์พระราชาธิบดีพิมพิสารก็ยังเสด็จมาตรวจตราพระอารามและสนทนากับข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวเป็นวันดิถีที่8วันหนึ่งมีประชาชนชาวราชกฤ มาฟังธรรมที่ธรรมศาลาถ้ำกลางพระอารามประมาณห้0อยคนเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าได้ขึ้นสู่ธรรมาติแสดงพัรธรมเทศนามีใจความว่าได้บรรดาสัจธรรมทั้งสี่นั้นสัจธรรมประการแรกนั้นก็คือทุกข์จัดว่าเป็นข้อแรกที่พุทธบริษัทควรทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วจะเกิดความเบื่อหน่าย คลายความยินดีในสังขารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สัตว์ทั้งหลายประกอบไปด้วยขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวจึงเป็นก้อนทุกข์อันบริสุทธิ์ไม่มีอย่างอื่นเจือปนทุกข์เพราะชาติชรลาพยาทิมรณนะทุกข์เพราะโศกเศร้าเสียใจพ่ไรลำพันธ์ับแค้นแน่นสวงเ พ, พ, พราะพัดพรากจากของรัก คนรักเพราะประสบกับของที่เกลียดชังเพราะความผิดหวังไม่สมปรารถนาเมื่อเทศนาจบลงแล้วพุทธบริษัทกลับเขหสถานของตนยังเหลือแต่เทวมิตาอุบาสกผู้คงแก่เรียนยังสนทนาธรรมอยู่กับข้าพเจ้าขณะนั้นเรากําลังนั่งสนทนากันอยู่ในธรรมศาลานั่นเองข้าพเจ้าสังเกตเห็นพระภิกษุสามรูป เดินเข้ามาในพระอารามและตรงมาอย่างธรรมศาลาเมื่อพิสูจน์แปลกหน้าเหล่านั้นเข้ามาในระยะใกล้ข้าพเจ้าก็จําได้ว่าพระเถระองค์เดินนําหน้านั้นก็คือพระเทวทัตผู้ร่วมสักยวงศ์ของพระพุทธองค์นั่นเองด้วยความดีใจที่ได้เห็นพระมหาเถระผู้เป็นพระญาติอันสนิทมาสู่อารามข้าพเจ้าได้รีบลงจากธรรมศาลา รับบริการของท่านนาขึ้นสู่ธรรมศาลาข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ากล่าวขึ้นเมื่อพระมหาเถระนั่งลงบนอาสนะและฉันน้ำดื่มแล้วมันเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าและชาวนครราชฤทิ์ที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านแต่ก่อนอื่นก็ใคร่ขอเรียนถามท่านว่าท่านมาจากไหนและเหตุไฉน จึงมาแต่ลำพังผมมาจากกุงโกสัมพีพระเทวทัตตอบแล้วก็ถอนหายใจอย่างหนักหน่วงคล้ายกับมีความทุกข์ใหญ่อยู่ในใจแต่ข้าพเจ้ามิได้เอาใจใส่เพราะเข้าใจว่าท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางข้าแต่ท่านผู้เจริญอุบาสกเทวมิตะเอ่ยขึ้นบ้างทุกครั้งที่กระผมเห็นท่าน ก็ได้เห็นพระบรมศาสดาทุกครั้งที่กระผมเห็นพระบรมศาสดาก็ได้เห็นท่านด้วยแต่คราวนี้กระผมมิได้เห็นพระบรมศาสดาเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่โคสิตารามนครโกสัมพีพระเทวทัตตอบและพระอักขสาวกทั้งสองคือพระโมคคลาพระสารีบุตรเล่าเวลานี้อยู่ที่ไหน อุบาสกถามอีกเข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าดวงพักของพระมหาเทระเจ้าพระเทวทัตดูหม่นหมองลงทันทีท่านยกถ้วยน้ำขึ้นดื่มอีกครั้งหนึ่งจนหมดถ้วยคล้ายกับเจระงับความโกรธกระวายใจแล้วก็พูดขึ้นว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาขอถามหน่อยเถอะว่าในขณะที่เราเองยังถูกกิเลสรัด ร, รึงอยู่รอบด้านจะต้องเวียนตายเวียนเกิด ด้วยในกลุ่งล้อแห่งสงสารนั้นเป็นการสมควรแล้วหรือที่เราจะมามัวห่วงกังวลต่อคนอื่นเทวมิตรอุบาสกไม่ได้ตอบคาถามนั้นเพียงแต่มองมาอย่างข้าพเจ้าด้วยสายตาแสดงความกังขาในวาทะของพระมหาเถระข้าพเจ้าไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนอกจากเชื่อว่าพระมหาเถระคงพูดธรรมะชั้นสูงเพื่อให้อุบาสก ถอนอุปาทานความยึดมั่นในบุคคลเท่านั้นอุบาสกเอย๋ยพระมหาเถระพูดต่อธรรมะย่อมเป็นสัจธรรมเป็นอาการิคธรรมมีอยู่ประจําโลกตลอดกาลพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นธรรมะก็คงมีอยู่ผู้มีดวงตาคือปัญญาย่อมเห็นธรรมะไม่ว่าในการไกลเพราะฉะนั้น พระธรรมจึงสำคัญกว่าสิ่งใดหมดพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ยังมีขึ้นและมีดับไปแต่พระธรรมยังคงอยู่ในโลกทุกเมื่อฉะนั้นขอให้อุบาสกจงเพ่งพินิษพระธรรมทุกเมื่อเถิดอย่าได้ติดอยู่ในบุคคลนั้นบุคคลนี้เลยการสนทนาดำเนินต่อไปอีกครู่หนึ่งพระเทวทัตมหาเทระพร้อมด้วยภิกษุสาจรอีกสองรูป จึงได้ขอตัวไปพักยังกุฏิที่ข้าพเจ้าสั่งให้สามเณรจับเตรียมไว้ข้าพเจ้าเดินตามไปส่งท่านถึงกุฏิแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมศาลาเทวามิตรอุบาสกยังคงอยู่ที่นั่นแล้วเราก็สนทนากันต่อไป แต่ท่านผู้เจริญอุบาสกเอ่ยขึ้นท่านสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับท่านพระเทวทัตมหาเถระอัตมาไม่เห็นมีอะไรผิดปกติข้าพเจ้าตอบ อ, อุบาสกตามความเป็นจริงนอกจากว่าคราวนี้ท่านมาสู่พระเวรวานารามตามลำพังไม่ได้มาพร้อมกับสมเด็จ พ, พระบรมศาสดาอย่างเคยแล้วเกี่ยวกับ ทั่วทีคำพูดของท่านเล่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นอกจากว่าคราวนี้ท่านพูดแต่ธรรมชั้นสูงเพื่อให้ถอนอุปาทานความยึดมั่นในบุคคลเท่านั้นเทวมิตรอุบาสกก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่ากระผมรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอยู่บ้างคาพูดของท่านแม้จะเกี่ยวด้วยปรมัต ธ, ธรรม แต่ก็ยังมีร่องรอยแห่งความอิจฉาพยาบาทแทรกอยู่อุบาสกอาจจะคิดมากไปเองละมัง้งข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตก็อาจจะเป็นได้อุบาสกพูดอย่างรังเลผมเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดและช่างระแวงบางทีอาจจะไม่มีอะไรผิดปกติอย่างที่กระผมคิดก็ได้ขอให้เราดูกันต่อไปกระผมข อ, อนามปรการลาละ เพราะว่าค่า ม, มากแล้วทางบ้านจะรอแย่เมื่ออุบาสกกลับไปแล้วข้าพเจ้าก็ลงจากธรรมาศาลาเดินไปตรวจตราทั่วราชอารามอย่างที่เคยกระทํามาเป็นประจำแม้คืนวันนั้นจะเป็นเพียงวันอัตมีขึ้นแปดค่าแต่พระจันทร์ครึ่งสีกบนท้องฟ้าอันปลอดเมฆ ก, ก็สว่างพอสมควรข้าพเจ้าเดินไปเรื่อยๆ ตามทางเดินระหว่างกอไผ่จนกระทั่งมาถึงประตูใหญ่พระเวรุนวนารามซึ่งสถุกบรรจุอัธิของลีลาวดีตั้งอยู่จึงได้หยุดนั่งพักปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปในอดีตอันแสนเศร้าจนกระทั่งพระจันรรับเหลี่ยมเขาเวปุระจึงได้กลับคืนสู่กุฏิน้อยในป่าไผ่นับเป็นเวลาเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่ลีลาวดีจากไปสู่ปาราโลกแม้จะเป็นเวลานานแสนนานแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกคล้ายกับว่าเธอเพิ่งจะจากไปเมื่อวานนี้เองเธออาจจะกําลังคอยข้าพเจ้าอยู่ในวิมานนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่บางทีเธออาจจะกําลังเพลิดเพลินอยู่ในทิพสุกอันปราณีตและลืมข้าพเจ้าเสียสนิทแล้วก็ได้แต่ข้าพเจ้า จะไม่มีวันที่จะลืมเธอทุกคืนไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนของปีข้าพเจ้าจะต้องหาเวลาไปเยี่ยมเธอที่สถุกก่อนจะเข้ากุฏิน้อยนอนพักผ่อนเป็นประจำไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวตลอดระยะเวลาเจ็ดปีอันยาวนานนั้นพฤติกรรมของข้าพเจ้าเป็นที่รู้จักกันดีในระหว่างพิสุสัมมณ น, นและพระอาราม ตลอดถึงอุมาศกุบาศิกาแต่ทุกคนก็เห็นใจและสงสารข้าพเจ้าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ตอบแทนต่อความรักอันอมตะอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าหยาดน้ำค้างบนใบบัวของลีลาวดีที่มีต่อข้าพเจ้าแม้ว่าจะเป็นการตอบแทนในเมื่อสายเกินไปเสียแล้วก็ตาม ท่านผู้มีอายุนับตั้งแต่พระเทวทัตมหาเถระเจา้ามาอยู่ที่พระเวรุวรณารามก็รู้สึกว่าพระอารามได้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมากทีเดียวประชาชนชาวราชคลือต่างดีใจที่พระมหาเถระผู้ร่วมสักยวงศ์ได้มาอยู่ประจําที่พระเวรุวรณารามเท่ากับเป็นตัวแทนของพระบรมศาสด า, ส, าสัมมาสัมพุทธะทุกๆเวลาเย็น ประชาชนชาวราชครืทุกเพศทุกวัยต่างถือดอกไม้ทุกเทียนเดินไปสู่พระอารามเป็นหมู่เพื่อฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะซาบซึ้งของพระมหาเทระเจ้าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระมหาเทระเจ้าเริ่มแสดงธรรมในบ่ายวันหนึ่งสัจธรรม4ี่ประการคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่งทางปฏิบัติ เพื่ถึงความดับทุกขหนึ่งย่อมเป็นธรรมมีอยู่ประจําโลกพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่ก็าตามสัจธรรมทั้งสีน่นี้ก็ยังมีเหลืออยู่ทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นก็มีอยู่เต็มโลกเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากก็มีอยู่ในสันดานของสัตว์ความดับทุกข์ก็เป็นสภาพที่อาจทําให้เกิดมีขึ้นได้มัก ก็คือทางมีองแ์8สำหรับนำไปสู่ความดับทุกข์ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ส่งค้นพบสัจธรรมทั้งสี่แล้วก็ส่งชีแจงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายรู้เห็นตามความเป็นจริงก่อนการอุบัติของพระพุทธองค์ก็มีมุนีผู้มีปัญญาเป็นอันมากที่เห็นทุกข์แต่ไม่เห็นสัจธรรมอีกสามประการที่เหลือมูดีบางคนอาจจะเห็นทุกข์ และเหตุของทุกข์แต่ไม่เห็นที่โลดและมัก่กมุนีบางคนอาจจะเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นความดับทุกข์แต่ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์มุนีบางคนอาจจะเห็นสัจธรรมครบทั้งสี่และกลายเป็นพระปัเจ ก, กพุทธแต่ไม่ประกาศแก่คนอื่นหรือประกาศแต่ไม่ตั้งาศาสนาก็เมื่อสัจธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกเช่นนี้สัจธรรม จึงเป็นของเก่าแก่กว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบสัจธรรมแล้วส่งชี้บอกคนอื่นพระสงฆ์เป็นแต่ผู้เชื่อถือตามคําบอกเล่าของพระพุทธเจ้าและดําเนินตามทางสู่ความดับทุกข์เท่านั้นแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ดีพระสงฆ์จะมีอันสูญหายไปจากจมพูทวีปก็ดีพระธรรมอันเป็นสัจธรรม เป็นอาการิกธธรรมก็ยังคงอยู่ไม่มีวันสูญสิ้นไปจากโลกแต่อาจจะเลือนหายไปจากความทรงจำของสัตว์ผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาสัตว์เหล่านี้แม้จะอยู่กับสัจธรรมทุกขณะรมหายใจก็หาได้รู้จักสัจธรรมไม่เหมือนช้อนไม่รู้รสแกงฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระปจเจ ก, กับพุทธก็ดีพระอริยสาวกก็ดี ได้บรรลุถึงความดับทุกข์เพราะมารู้จริงเห็นแจ้งในสัจธรรมดังกล่าวแล้วหาใช่เพราะอย่างอื่นไม่ถ้าแม้นท่านทั้งหลายจะพึงถึงความดับทุกข์ไ้ท่านจะต้องรู้จริงเห็นแจ้งในสัจธรรมเช่นเดียวกันก็เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการสมควรที่ท่านทั้งหลายจะพึงพยายามเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าในพร ะ, ระพุเจกุธเจ้า ในพระษาวกทั้งหลายเสียมุ่งตรงไปสู่พระธรรมทีเดียวถ้าท่านทั้งหลายยังติดอยู่ในบุคคลท่านจะไม่มีวันเข้าถึงพระธรรมและแดนกระเสมกล่าวคือพระนิพพานว่าถ้าอันห้าวหารของพระเทระเจ้าได้ก่อให้เกิดการวิพากวิจารกันอย่างกว้างขวางในระหว่างพุทธบริษัทบางพวกก็เห็นด้วยกับพระมหาเทเรเจ้าแต่บางพวกก็ไม่เห็นด้วย ฝ่ายที่เห็นด้วยอ้างว่าในการบรรลุถึงอมตรธรรมอันสูงสุดนั้นบุคคลจะต้องถอนอุปาทานในสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้ได้อย่างสิ้นเชิงจะต้องไม่เกาะติดอยู่ในสิ่งใดบุคคลใดทั้งสิ้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นส่วนมากก็เป็นผู้เจริญด้วยวั ย, ยวุฒิได้ศรัทธาประสาธะในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งแรกที่พระบรมศาสดา เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจึงมีความเครารพสักการะในพระพุทธองค์อย่างมั่นคงดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระเทวทัตมหาธิระเจ้าแสดงธรรมในวันต่อมาว่าศา ส, สนาใด ก็ดีย่อมมีองค์ประกอบสําคัญอยู่สองประการคือคําสอนและผู้สอนชนบางพวกย่อมเลื่อมใสในคําสอนเมื่อเห็นว่าคําสอนถูกต้องมีเหตุผลน่าเชื่อถือก็เลื่อมใสและปฏิบัติตามไม่ถือผู้สอนเป็นสําคัญแต่ชนบางพวกย่อมเลื่อมใสในบุคคลผู้สอนนิยมชมชอบในชาติกําเนิดผิวพรรณวันนะลักษณะท่าทาง จำเนียงวาจาของผู้สอนโดยไม่คำนึงว่าคำสอนจะเป็นอย่างไรชนประเภทหลังนี้ถ้าผู้สอนที่ตนเลื่อมใสาตายไปหรือหนีไปหรือคลายความเพียรเวียนไปเพื่อหาความเป็นคนเลวก็หมดศรัทธาความเลื่อมใสไปด้วยฉะนั้นศรัทธาของคนประเภทนี้จึงไม่แน่นอนไม่ถูกต้องทางที่ถูกควรถือคำสอนเป็นสาคัญถ้าคาสอนดี มีเหตุผลทนต่อการพิสูจน์เป็นหลักธรรมแม้คำสอนนั้นจะออกจากปากของคนยาจกก็ควรเชื่อถือและปฏิบัติตามคำเทศนากลังหลังของพระมหาเทระเจ้าทำให้พุทธบริษัทส่วนมากหันไปนับถือคำสอนสำคัญกว่าผู้สอนและในเวลาเดียวกันก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระเทวทัตมหาเทระอย่างมาก จำนวนผู้มาฟังธรรมในธรมารมศาลาเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนล้นหลามออกไปยังป่าไผ่รอบๆตัวธรมารมศาลาข้าพเจ้าเองในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ในพระเวรวรณารามก่อนรู้สึกดีใจที่เห็นประชาชนหลั่งไหลมาสู่อารามและดีใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ทราบว่าพระมหาเถรเจ้าสามารถเทศนาให้องค์มกุณราชกุมาร คือเจ้าชายอาชาติศัตรูส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เพราะตามปกติเจ้าชายไม่เคยสนพระไทยในพระศาสนาไม่เคยเสด็จสู่พระอารามเพื่อฟังธรรมทรงยังวันเวลาให้ผ่านไปด้วยการเล่นสนุกสนานกับสหายแวรุ่นบุตรของบรรดามุขมนตรีองค์พระราชาธิบดีเคยพยายามที่จะส่งพระโอรสไปศึกษาศิลปรวิทยา ในสำนักของอาจารย์ทิสาปามโมกแห่งเมืองตักศิลาแต่เจ้าชายไม่ทรงยินยอมจริยาขององคม ก, กุรจุกมารไม่เพียงจะก่อความไม่พอพระทยัยแก่พระราชบิดาเท่านั้นแต่ยังก่อความวิตกกังวลให้บรรดาขราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั่วไปด้วยเมื่อเจ้าชายหันมาเลื่อมใสในพระาศาสนาพระชนกช น, นีและไพร่ฟ้าค่าแผ่นดิน จึงยินดีปรีดาทั่วกันพระราชาธิดีพิมพิสารดีใจเป็นพิเศษถึงกับประทานพรว่าถ้าเจ้าชายปรารถนาจะเบิกพระราชทรัพย์จากพระครังหลวงเพื่อนำไปประกอบการกุศลก็อาจจะเบิกได้ตามพระประสงค์เจ้าชายอาชาศัตรูเมื่อได้รับพรนั้นแล้วก็ได้จัดสำรับ500อที่นำไปถวายพระเทวทัตมหาเระเจ้า เป็นประจำทุกวันบางวันก็เสด็จไปเฝ้าพระมหาเทระเจ้าและสนทนาปราสายอยู่เป็นเวลานานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายและพระมหาเทระเจ้าเป็นไปอย่างสนิทสนมบางครั้งทั้งสองพระองค์ก็เข้าไปสนทนากันสองต่อสองในป่าไผ่ปล่อยให้ข้าราชบริพารคอยอยู่ข้างนอกบางวันพระมหาเทระเจ้าก็เข้าไปเฝ้าเจ้าชาย ถึงในพระตำหนักส่วนพระองค์และสนทนากันอยู่ตามลําพังจนเวลาล่วงเข้าสู่มัิมยามจึงได้กลับสู่อารามดูก่อนท่านผู้มีอายุฝ่ายข้าพเจ้าในฐานะเป็นสังฆปาโมกในพระอารามเมื่อเห็นความรุ่งเรืองแห่งพระศาสนาเห็นการฟื้นคืนมาแห่งศรัทธาของมวลชนและเห็นความฝ่ายพระไทยแห่งพระเจ้าอาชาศัตรูองค์มกุฎราชกุมาร ในพระศาสนาก็อดที่จะเกิดปริติปราโมทไม่ได้ในขณะเดียวกันก็หวนคิดถึงตัวเองตลอดระยะเวลาที่พระเทวทัตมหาเทระเจ้ามาอยู่ในพระเวรุวนารามรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนเองได้ลดน้อยถอยลงดุจแสงดาวเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าบุญญาพินิหารของพระเทระเจ้าทำให้ประชาชน ชาวนครราชกฤมลืมข้าพเจ้าไปชั่วคราวทำให้ข้าพเจ้ามีเวลาว่างจากการบริหารหมู่คณะและการแสดงธรรมมากขึ้นเพราะเหตุนี้วิญญาณการท่องเที่ยวก็ได้กลับคืนมาสู่ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เลยเรือนหายไปเป็นเวลาเกือบสิบปี ดูก่อนท่านผู้มีอายุการที่พระเทวทัตมหาเทวเจ้ามาสู่พระเวรุวนารามาก็เท่ากับมาช่วยยกภาระอันหนักหน่วงลงจากปากของข้าพเจ้าเพราะท่านได้รับเอาภาระการเทศนาสั่งสอนประชาชนไปกระทาด้วยผลสำเร็จอันดียิ่งท่านได้นำลาบสการะาอันมากมายมาสู่ภิกษุสงฆ์ขจัดความฝืดเคือง ในด้านพรตหารให้หมดไปประการสำคัญที่สุดก็คือท่านได้ปลูกศรัทธาอันซุบเซาในพระศาสนาของชาวนาครราชครืให้กลับตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีเวลาว่างมากขึ้นข้าพาเจ้าก็หันเข้าพิจารณาดูตัวเองอันตัวของข้าพาเจ้านั้นแม้จะอุปสมบทในพระพุทธศาสนามากกว่าสิบฤดูฝนแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้ขั้นต่าสุด คือโสดาบันยังมีสันดานอันหนาแน่นด้วยอวิชชาตัณหาและอุปาทานยังไม่พ้นไปจากกลงล้อแห่งสังสารวัฏแต่เพราะค่าที่ยังยึดมั่นอยู่ในศีลและบำเพ็ญศาสน ก, กิจส่วนรวมอันเป็นกุศลกรรมอยู่มิว่างเว้นพระ น, นิสงฆ์คงจะส่งผลให้ได้บังเกิดในสุคติภพแล้วค่าจากอบายภูมิแต่ในส่วนลึกแห่งหัวใจ ข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกละอายต่อบรรดาพระอริยสงฆ์ที่ตนได้เกิดร่วมพระศาสนาในสมัยที่พระบรมศาสดายัางทรงพระชนอยู่แต่ไม่สามารถบรรลุแม้มรรคผลชั้นต่ำนี่คือสนิมใจที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมและตั้งใจอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อใดมีโอกาสจะหลีกเล้นไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นส่วนตัวเสียทีแต่โอกาสดังว่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นวันคืนผ่านไปไม่หยุดยัง้งวันกลายเป็นสัปดาห์สัปดาห์กลายเป็นเดือนเดือนกลายเป็นปีข้าพเจ้าก็ยังคงอยู่ในเวรุวรรณารามพร้อมด้วยภาระผูกพันต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีฉะนั้นเมื่อพระเทวทัตมหาเถรเจ้ามาอยู่ที่พระเวรุวัน และได้ปลูกศรัทธาอันมั่นคงให้เกิดแก่ภิกษุบริสัทและอุบาสกอุบาสิกาข้าพเจ้าจึงเห็นเป็นโอกาสอันงามที่จะหลีกไปบำเพ็ญเพียรในที่สงัดแห่งหนึ่งเมื่อตัดสินใจดีแล้วก็เข้าเฝ้าพระมหาเถรเจ้าทูลความประสงค์ให้ท่านได้ทราบแล้วก็กราบลาพระมหาเถรเจ้าคงเข้าใจในเจตนาของข้าพเจ้าดีจึงมิได้รัดทานแม้แต่น้อยตรงกันข้าม ลับส่งเสริมเสียอีกท่านรับว่าจะบริหารพระอารามแทนข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเบาใจและดีใจอย่างมากเพราะตั้งใจจะไปอย่างเงียบๆไม่ให้เป็นที่อื้อเฉาข้าพเจ้าจึงไม่ได้กล่าวอำลาใครแม้แต่องค์พระบรมพรพิษพระราชสมภารผู้เป็นเจ้าของอาราม สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าอำลาก็คือสถูกบรรจุอัฐิของลิลาวดีแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเทวามิตรอุบาสกได้มาพบเข้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังสะพายบาทแบกกรดจะออกจากประตู ด, ด้านหลังพระอารามท่านผู้เจริญท่านจะไปไหนนั่นอุบาสกส่งเสียงร้องถามพ่างวิ่งตรงมาอย่างข้าพเจ้าเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างหน้า ด้วยดวงตาเบิกกว้างแสดงความประหลาดใจข้าพเจ้าพาเขาเข้าไปนั่งบนแคร่ใต้ล่มทองกลาวซึ่งกำลังออกดอกสีแดงสดอยู่เต็มต้นแล้วก็บอกจุดประสงค์ให้เขาทราบเขาพยายามรบเลา้าที่จะให้กลับคืนสูภาพ ร, รามให้ได้ดูก่อนอุบาสกอัตมากลับไม่ได้เพราะได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไป ความจริงก็ไม่ใช่การตัดสินใจอย่างฉับพลันแต่เป็นความปรารถนาที่ฝังอยู่ในจิตใจของอาตมาตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสอาตมาจึงรีบกระทำต า, ตามความปรารถนานั้นท่านจจใจร้ายพอที่จะหนีเอาตัวรอดทิ้งพระอารามและพุทธบริษัทไว้เบื้องหลังโดยมีอะไรใหญ่ดีเท่าลึกเทวมิตรอุบาสกก่าด้วยเสียงระหอยอุบาสกเอ๋ย อาตมาได้อยู่บำเพ็ญประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากมากกว่าสิบวัศการแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่อาตมาจะต้องคิดถึงตัวเองบ้างอายุของอาตมารเริ่มเข้าสู่มัจจิมวัยแล้วแต่อาตมายังเป็นปุถุชนอาตมารู้สึกละอายใจในข้อนี้จึงใคร่ขอออกปฏิบัติเร่งรัดสู่มรรคผลเชทีขออุบาสกอย่าได้่วงเหนียวอาตมาไว้เลยอีกประการหนึ่งได้มอบหมาย การบริหารแก่ท่านและท่านก็รับไว้แล้วด้วยความยินดีฉะนั้นพระวิหารจึงไม่ได้ว่างเปล่าจากมหาเถระผู้นำทางของมวลชนแต่พระเทวทัตมหาเถระก็เป็นเพียงอาคันถุ ก, กะผู้จอมาพักชั่วคราวเท่านั้นผมยังไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่กับเราตลอดไปอุบาสกคานขึ้นและยังพยายามรบเร้าต่อไปฝ่ายข้าพเจ้า ก็ยืนยัดว่าจะไปท่าเดียวเมื่อเห็นว่าไม่มีทางจะเอาชนะข้าพเจ้าได้อุบาสกก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าท่านตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วว่าจะไปผมก็ไม่ว่าอะไรแต่จะขอร้องท่านให้ทําสิ่งหนึ่งเป็นคําขอร้องครั้งสุดท้ายท่านจะทําได้ไหมถ้าคําขอร้องของอุบาสกจะไม่เป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลของอัตมา ก็ยินดีจะยินยอมกระทาตามผมรับรองว่าไม่ขัดขวางแน่เทวมิตรอุบาสกยืนยันถ้าเช่นนั้นก็บอกมาเถิดเทวมิตรอุบาสกก็บอกว่าตามชายเขารอบนอกกลุ่มราชครืน่นี้มีถ้ำช่งโงกหินและป่าอันสงบเงียบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรเป็นอันมาก ผมใคร่ขอร้องให้ท่านอยู่ในบริเวณรอบๆกลุ่มราชเกลืนี้ขออย่าได้สัญจรไปไกลกว่านี้เมื่อท่านได้ที่อยู่อันเหมาะสมแล้วขอได้โปรดส่งคนไปแจ้งขา่าวกับผมด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนเพื่อความสะดวกในการติดต่อผมขอร้องเท่านี้แหละเข้าไปเจ้าพิจารณาเห็นว่าคำขอร้องของเทวมิตรอุบาสกเป็นคำขอร้องที่ไม่ขัดต่อการบำเพ็ญเพียร พอจะปฏิบัติตามได้โดยสะดวกจึงตกลงรับว่าจะกระทําตามอุบาสกกรบาบคารเจ้าด้วยความยินดีแล้วรับอวาบาและกรดไปถือบอกว่าจะเดินตามไปส่งคารเจ้าในระยะอันสมควรคารเจ้าเดินมุ่งหน้าสู่ประตูด้านหลังพระอารามซึ่งเต็มไปด้วยปลาไผ่และฝูงกระแตซึ่งวิ่งไปมาตามลำไผ่และกิ่งไผ่ หันหน้ามามองข้าพเจ้าส่งเสียงร้องและกระดิกหางคล้ายกับแสดงความอาลัยต่อข้าพเจ้าในการจากไปกระแตเหล่านี้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งใครจะทําอันตรายไม่ได้สมเด็จพระราชาธิบดีพิมพ์พิสารได้เสด็จมาทรงประทานเหยือ่อแก่กระแตเหล่านี้เป็นครั้งคราวข้าพเจ้าและเทวมิตรอุบาสกเดินเข้าประตูเมืองด้านทิศเหนือ อันเป็นช่องเขาภูเขาเวปุลละและเขาเวภาระต่อกันแล้วก็เดินทางตามถนนตัดผ่านตัวเมืองมุ่งหน้าสู่ทิศใต้เมื่อมาถึงปาก่านช่องเขาระหว่างภูเขาโสนะและภูเขาอุไทยต่อกันข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จะปีนเขาดูโดยไม่ออกทางประตูด้านทิศใต้ และก็ได้เสนอความเห็นแก่เทวมิตรครดราบดีเมื่อเขาไม่ขัดข้องเราก็เริ่มปีนเขาอุทัยได้สูงขึ้นไปเป็นลำดับเนื่องจากเป็นฤ ด, ดูร้อนต้นไม้บนเขาส่วนมากก็สลัดใบหมดทำให้ก้อนหินที่ถูกแดดเผาแล้วอุ่มความร้อนไว้มากแม้จะเหน็ดเหนื่อยในการปีนเขาเราก็รู้สึกร่าเริงเบิกบานใจที่ได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติ ไม่มีเล่เหลี่ยมกลลวงใดๆฟูมชักจันส่งเสียงร้องระงมคล้ายกับจะต้อนรับเราให้เข้าสู่อาณาจักรอันร่มเย็นของธรรมชาติในที่สุดเราทั้งสองก็ขึ้นถึงยอดเขาอุทัยหันกลับมามองดูทิวทัศน์ของนคร ราชครึ่งซึ่งวางแผนอยู่เบื้องล่างข้าพเจ้าสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนปราสาทและเทวลัยของกลุ่มราชครึ่งได้อย่างเดือดดางเพราะทิวทัศน์ส่วนมากถูกหมอกควันแห่งกิมฮันตรุดูพุ่มห่อเอาไว้ทางขวามือมองเห็นทิวเขารัตนะยืนทมินอยู่ในม่านหมอกอย่างน่าเกรงขามขณะที่ยืนชมทิวทัศน์อยู่นั่นเอง ข้าพเจ้าก็เกิดความเศร้าใจขึ้นมาอย่างประหลาดท้ายกับว่าการจากไปคราวนี้จะเป็นการจากไปชั่วนิรัดนดรทําให้เกิดความอะไราอาวร์ในพระเวรุวนารามอุบาศกกุบาศิกาและพระนครราชครึ่นี่แหละเนอการพลาดพาดจากคนรักของรักพระเบลมัสสดาจึงจัดเป็นความทุกข์ประการหนึ่ง เราเห็นจะต้องจากกันณจุดนี้แล้วนะข้าพเจ้าบอกเทวมิตรกครบดีเขาจ้องดูข้าพเจ้าด้วยสายตาแสดงความอะไรอวรนแต่ไม่ได้กล่าวโต้ตอบประการใดชีวิตของคนเรามีอันจะต้องพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาชีวิตของอัตมาเต็มไปด้วยการพัดพลาคพัดพลากจากพ่อแม่จากบรรเกิดจากเมืองเกิดและก็จาก พอกล่าวมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกอันอานตันใจพูดอะไรไม่ออกแต่แต่ระลึกอยู่คนเดียวในใจว่าลีลาวดีแต่การพลัดพรากบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะทำให้เห็นการพลัดพรากเป็นของธรรมดาอาตมาขออําลาขอให้อุบาสกจงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลเทวมิตรอุบาสกกราบลงแทบเท้าของข้าพเจ้า เตือนให้ข้าพเจ้ารักษาคำมั่นสัญญาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินลงเขากลับสู่เคหสถานแห่งตนข้าพเจ้ามองตามเขาไปจนเขารับหายไปในหมู่บ้านและก้อนหินเบื้องล่างแล้วก็หันหลังกลับไปมองดูทิวทัศน์ด้านใต้ซึ่งเป็นทิศทางที่ข้าพเจ้าจะมุ่งหน้าเดินทางต่อไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุจากจุดที่ข้าพเจ้ายือนอยู่นั้นข้าพเจ้าสามารถมองเห็นติวทัพ อ, อันสวยงามวางแผ่อยู่เบื้องหน้าต้นไม้สิ้นส่วนมากปราศจากใบด้วยเป็นกิมหังตรรดูยืนต้นลดหลั่นกันลงไปเป็นพักๆจนถึงตีนเขาติดกับตีนเขาข้าพเจ้าเห็นหลังคาบ้านหลายหลังรวมกันอยู่เป็นกระจุกแวดล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวสด เลยหมู่บ้านออกไปเป็นทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลจากนั้นก็เป็นป่าไม้สีเขียวแล้วก็ทุ่งนาอีกทุ่งนาและป่าสลับกันไปแผ่ขยายไปจนจบขอบฟ้าข้าพเจ้ารู้สึกร่งใจและสบายใจอย่างประหลาดเมื่อได้เห็นทัศนียภาพอันกว้างขวางเวิงวางเช่นนั้นรู้สึกอิสรากระดุดนกที่พ่งหลุดออกจากกรง แต่เมื่อเห็นฝูงวัวควายตัวเล็กๆคล้ายกับมดที่กำลังเดินอยู่ในทุ่งนามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านข้าพเจ้าก็เกิดความเศร้าขึ้นมาใน ท, ทันทีเพราะมันเตือนให้ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงอดีตการเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กเลี้ยงโคคู่ชีพอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในโกศนรัตนแสนไกลโพ้นข้าพเจ้าถอนหายใจยาวสูดเอาอากาศบริสุทธิ์ แล้วก็เดินลงจากเขาไปเมื่อข้าพเจ้าลงมาถึงหมู่บ้านที่ตีนเขานั้นก็เป็นเวลาเกือบมืดสนิทชาวบ้านเริ่มจุดประทีปโคมไฟข้าพเจ้าเดินไปเรื่อยๆตามถนนแคบๆ กลางหมู่บ้านสองข้างถนนเต็มไปด้วยบ้านเรือนซึ่งเป็นกระท่อมดินติดกับพื้นกระท่อมบางหลังก็มีวัวและแพะผูกไว้กับหลักข้างหน้าบ้านบางแห่งก็มีชายในปัจฉิมวัยนั่งจับกลุ่มสนทนากันอยู่บนเสื่อลำแผนหน้ากระท่อมในถนนบางตอนก็มีฝูงเด็กเล่นไล่จับกันส่งเสียงอื้นี่ เสียงผู้ใหญ่ตะโกนไล่ให้ไปเล่นที่อื่นเสียงมารดาเรียกบุตรให้ไปรับประทานอาหารและเสียงลูกกระพวนท้องเหลืองจากคอโคทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านอึกกระทึกกึกกล้องพอสมควรด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้าจากการปีนเขา ขาเจ้าได้ตัดสินใจที่จะพักค้างคืนที่หมู่บ้านนี้แต่ยังไม่ทราบว่าจะไปพักได้ที่ไหนตามปกติในหมู่บ้านทุกแห่งทั่วเขตแคว้นแดนมคตย่อมมีศาลาหลังหนึ่งที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้ริมถนนกลางหมู่บ้านเพื่อเป็นที่พักของคนเดินทางและบรรดาอนาคาริทั้งหลายที่จอดมาจากทิศ ท, ทั้งสี่เพื่อจะถามดูให้รู้ว่า ศาลาดังกล่าวนั้นอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าได้แวะเข้าไปถามชายชราคนหนึ่งซึ่งกำลังผูกอัวของเขาอยู่ข้างหน้ากระท่อมท่านสมณะหมู่บ้านของเรายัางไม่มีศาลาพักสำหรับคนเดินทางแต่ในบ้านได้จัดเรือนหลังหนึ่งไว้เพื่อการนี้ถ้าท่านเดินไปอีกสี่ชั่วลังคาเรือนแล้วมองไปทางขวาท่านจะเห็นเรือนว่างหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมถนน ขอเชิญท่านเข้าพักผ่อนตามสบายเถิดข้าพเจ้ากล่าวขอบใจชายแก่แล้วก็หันหลังออกเดินไปตามถนนพอถึงกระท่อมหลังที่สก็ได้พบกับสุญยาคารหลังหนึ่งอยู่ทางขวามือตามคําแนะนําของชายแก่ข้าพเจ้าเดินไปหยุดที่ประตูแล้วโปรศีษะเข้าไปดูข้างในซึ่งเป็นห้องโถงโล่งทั้งหลังบนพื้นห้องซึ่งเป็นดิน มีเสื่อลำแพนปูไว้เป็นแห่งๆภายในห้องมีชายคนหนึ่งพักอยู่ก่อนแล้วเขานั่งอยู่บนเสื่อลำแพนใกล้ดวงไฟที่ส่องแสงวบับแวมทําธุระม้วนอยู่คนเดียวข้าพเจ้าเข้าไปในห้องวางบาตรและบริขารลงบนเสือ่อที่มุมห้องด้านหนึ่งแล้วก็นั่งลงพักขณะที่ข้าพเจ้ากําลังนั่งอยู่นั่นเองชายคนที่พักอยู่ก่อนแล้วก็ได้หันมาจ้องมองดูข้าพเจ้า อย่างเพ่งพินิษ์อยู่เป็นเวลานานคั้นแล้วเขาก็เดินตรงมาทางข้าพเจ้านั่งลงที่มุมเสือแล้วพูดขึ้นว่าข้าแต่ท่านอนาคาริกข้าพเจ้าดีใจที่มีเพื่อนร่วมพักในสุญญาน ค, าครนี้จากลักษณะท่าทางและเครื่องแบบเครื่องแต่งตัวข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ใช่แล้ว อาตมาเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าตอบพล่างคิดคาดคะเนอยู่ในใจว่าชายแปลกหน้าคนนี้จะมาในลักษณะใดด้วยแสงไฟอันริบรี่ภายในห้องข้าพเจ้าสังเกตเห็นเขาเป็นชายหนุ่มอายุไม่เกินยี่สิบผิวคล้ำหน้าตาคมคายแม่เขาจะมีท่าทีที่แสดงว่าดีใจแต่ก็มีแววแห่งความเศร้าแฝงอยู่ในดวงตา และใบหน้ายัางเห็นได้ชัดท่านเล่าเป็นใครกันเลือกมาจากไหนล่ะข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าชื่อจุลพลเป็นบุตรของพราหมณ์มหาสารแห่งนครจำปาแขวนอังคะข้าพเจ้าเดินทางมาจากบ้านเป็นเวลาเจ็ดปราตีในวันนี้เขาหยุดครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นว่าท่านเล่ามาจากไหนหรือและก็จะไปไหนล่ะ อาตมาเพิ่งเดินทางมาจากพระเวรุวันมหาวิหารในกรุงราชคลึพระเวรุวันหรือชายหนุ่มอุทานชัดขึ้นมาด้วยเสียงอันดังก่อนที่ข้าพเจ้าจะตอบคําถามของเขาจบพระเวรุวันอ่าช่างเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่ได้พบกับท่านซึ่งเพิ่งมาจากพระเวรุวันท่านมีอะไรเกี่ยวกับพระเวรุวันหรืออุบาสก ข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยแกมประหลาดใจในท่าทีอันผิดปกติของเขาพระเวรุวันคือจุดหมายแห่งการเดินทางอันยืดยาวของข้าพเจ้ากำลังจะไปสู่พระเวรุวันประชาชนในเมืองถิ่นกำเนิดของข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่าณพระเวรุวันป่าไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารประทานเหยือกแตนั้นองค์พระสากยามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่พระมหาสมณะพระองค์นั้นทรงเป็นสัพพัญญูรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งปวงสามารถเรื่องทุกขแก่ผู้กําลังทุกขระงับโศกแก่ผู้กําลังโศกได้ช ง, งัดนักดุดเวชการผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในสรรพโรคพร้อมทั้งสมุดฐานและสามารถประกอบโอสถบําบัดโรคทุกชนิดข้าพเจ้ากําลังถูกภูเขาแห่งทุกทับหัวใจอยู่ จึงใครจะขอเฝ้าพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยเร็วที่สุดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงดีใจเมื่อได้ทราบว่าท่านมาจากพระเวรุวนารามอย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้าก็คงจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับพระมหาสมณะองค์นั้นข้าพเจ้ามีปัญหาหลายข้อที่จะเรียนถามท่านแต่ท่านคงกำลังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลถ้าอย่างไร ขอเชิญท่านดื่มน้ำและพักผ่อนให้สบายก่อนเราจะได้สนทนากันต่อไปพอพูดจบชายหนุ่มก็ลุกขึ้นเดินไปหยิบเอาคนโทน้ำมาวางไว้ให้ข้างหน้าข้าพเจ้าแล้วชวนเชิญให้ดื่ม ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาคงดีใจที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้ามาจากสมณของพระบรมศาสดาแต่เขาจะเสียใจสักเพียงไหนถ้าได้ทราบความจริงว่าพระบรมศาสดาหาได้ประทับอยู่ที่พระเวรุวานารามัยแต่ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีห่างออกไปทางทิศตวันตกหลายร้อยโยชน์ข้าพเจ้ารู้สึกหนักใจเมื่อคิดว่าเขาจะต้องผิดหวัง และเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นจากทุกข์ที่มีอยู่แล้วอย่างท่วมท้นหัวใจเพื่อช่วยเขาไม่ให้ประสบความผิดหวังจึงหาอุบายที่จะทําให้เขาหันเหความสนใจจากพระบรมศาสดาชั่วคราวและวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่คิดได้ในขณะนั้นก็คือชวนให้เขาระบายความทุกข์ของเขาออกมาเพราะตามหลักธรรมดานั้นเพียงเป็นการเล่าระบายความทุกข์ด้วยวาจา แก่บุคคลที่ไว้วางใจก็อาจช่วยบรรเทาทุกข์ได้บ้างคิดดังนี้แล้วจึงพูดขึ้นว่าดูก่อนอุบาสกอันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธนั้นย่อมมีพระไถ่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาต่อสัตว์ทุกเวลารุ่งอรุณพระองค์จะแผ่ขายพระญาณครอบสากลโรคเพื่อตรวจดูว่าจะมีสัตว์ใดบ้าง กำลังตกอยู่ในห่วงมารทุกสมควรได้รับการช่วยเหลือเมื่อส่งพบสัตว์ดังว่านั้นแล้วพระองค์จะเสด็จไปโปรดทันทีโดยไม่ทรงเลือกว่าผู้นั้นจะอยู่ในวัณณะตระกูลใดแน่นอนทีเดียวสัตว์ผู้ตกอยู่ในห่วงแห่งทุกข์ย่อมมีประมาณเป็นอนเนกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงวางเว้นจากการโปรดสั์ถ้าเช่นนั้น ฉันไหนพระองค์จึงไม่เสด็จมาปลดข้าพเจ้าบ้างเพราะข้าพเจ้าก็กำลังตกอยู่ในวงมหันตทุกข์หนุ่มจุลพลถามขึ้นอัตมาเชื่อว่าทุกของท่านเมื่อเทียบกับของคนอื่นคงจะยังมีประมาณน้อยท่านจึงยังไม่เข้าไปปรากฏในขายพระยานกรุณาเล่าให้ตมาฟังได้ไหมว่าทุกของท่านเป็นเช่นใดเพื่อว่าบางที อาตมาจะมีทางช่วยท่านได้บ้างจุลพลถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านอนณาคาริกความทุกข์ของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่หนักหน่วงรุนแรงและเจ็บปวด จนหัวใจน้อยของข้าพเจ้าแทบจะแยกแตกสลายมันเป็นความทุกข์อันเกิดมาจากการสูญเสียภรรยาสุดที่รักของข้าพเจ้าภายหลังการแต่งงานเพียงหนึ่งเดือนเธอก็จากข้าพเจ้าไปอย่างไม่มีวันกลับในขณะที่เรากําลังมีความสุขอย่างเต็มที่ข้าแต่ท่านสมณะเมื่อต้นปีนี้เองมารดาของข้าพเจ้าได้พูดกับข้าพเจ้าในเย็นวันหนึ่งว่าข้าพเจ้า ควรจะเข้าสู่พิธีอวาหะมงคลมีคู่ชีวิตเสถีเพราะอายุของข้าพเจ้าก็ครบยี่สิปีแล้วนับได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ผู้ใหญ่ที่ยังปราศจากคู่ชีวิตนั้นหาได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ไม่ย่อมได้รับคำตำหนิติเตียนจากคนอื่นไม่เป็นที่ไว้วางใจในการงานยิ่งกว่านั้นถ้ามีอันเป็นไปต้องประสบมรณกรรมเสียก่อน ไม่มีบรสืบสกุลยังจะไปสวยทุกในปุตตะนรกอีกข้าพเจ้าบอกมารดาว่าถ้าได้กุลสตีที่เหมาะสมมีฐานะตระกูลเสมอกันงามพร้อมด้วยรูปสมบัติก็ยินดีที่จะแต่งงานมารดาของข้าพเจ้ายิ้มด้วยความพอใจแล้วก็บอกว่าบัตดนี้ได้พบกับยอดกุลสตีดังว่านั้นแล้วเป็นหญิงสาวอายุ16ปี ชื่อปัตมวดีที่ดาของเศรษฐีคนหนึ่งในจำปานคร น, นั่นเองเมื่อได้ฟังข่าวนี้ข้าพเจ้าเองก็อดที่จะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเสียมิได้ในวันต่อมาข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้ย่นโฉมแห่งภรรยาในอนาคตของข้าพเจ้าในขณะที่เธอไปอาบน้ำ ในแม่น้ำจำปาปาพร้อมด้วยนางทาสีมูใหญ่ความงามของเธอแม้จะเห็นเพียงชั่วแว บ, บเดียวก็ทําให้ข้าพเจ้าตกตรึงไปทีเดียวข้าพเจ้ารีบกลับบ้านและเร่งเร้าให้มารดารีบจัดการไปสู่ขอและประกอบพิธีอวาหะมงคลโดยเร็วเพราะข้าพเจ้าได้หลงรักปัทมวดีอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้วเป็นความรักแรกพบด้วยอานาจแห่ง ลุภสันนิวาตอย่างแท้จริงมาดาของข้าพเจ้าพอใจอย่างยิ่งเมื่อถึงเดือนและวันเป็นมงคลตามที่พราะบุโรหิตกำหนดให้จึงให้มารดาญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขออย่างตระกูลของปัตมวดีเพื่อทำพิธีสู่ขอพร้อมด้วยเครื่องสการะตามตมเนียมเช่นผ้าขาวหนึ่งผืนมะพร้าวหนึ่งลูกกล้วยห้าใบและผงจันหอม แลกคล้ายจะเป็นรังร้ายบอกเหตุการณ์นในอนาคตปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งเลือ้อยตัดหน้าไปการสู่ขอต้องเลื่อนออกไปอีกหลายวันเมื่อถึงวันเลิกครั้งที่สองคณะญาติผู้ใหญ่ออกเดินทางไปสู่ขออีกปรากฏว่าแมวตัวหนึ่งวิ่งข้ามถนนตัดหน้าคณะต้องเดินทางกลับอีกต่อครั้งที่สามการเดินทางไปสู่ขอจึง เรียบร้อยปราศจากหลังร้ายใดๆเมื่อไปถึงบ้านปัตมวดีและได้รับการต้อนรับกับสู้เป็นอย่างดีแล้วคณะทูตของข้าพเจ้าก็แจ้งจุดประสงค์แกม่มารดาของปัตมวดีเศรษฐีผู้บิดาไม่ได้รับหรือปฏิเสธทันใดแต่นั่งหันหน้าไปทางทิศใต้จ้องตาจับฝาผนังเครือหาดซึ่งมีจิ้งจกตัวหนึ่งจับอยู่ แม้คณะญาติของข้าพเจ้าก็จ้องตาดูจิ้งจกตัวนั้นด้วยความกระวนกระวายใจแต่แล้วทุกคนก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจเพราะจิ้งจกตัวนั้นได้ส่งเสียงร้องขึ้นหกครั้งแสดงว่าเทพเจ้าประจำเรือนยินยอมแล้วต่อจากนั้นเศรษฐีก็ยินดีให้ปฐมวดีแต่งงานกับข้าพเจ้าและรับของขวัญต่างๆ ที่คณ ญ, ญาติของข้าพเจ้านาไปข้าแต่ท่านผู้ส่งผลข้าพเจ้าอาจยืนยันได้ว่าพิธีอาวหามงคลของเราเป็นงานยิ่งใหญ่และถูกต้องตามรำเนียมทุกประการ เป็นที่กล่าวขันของชาวเมืองอยู่เป็นเวลานานทีเดียวเหล่าญาติของเราทั้งสองฝ่ายได้สร้างปรมอันสวยงามขึ้นที่สนามนาคฤะือหดัดประดับด้วยผ้าขาวและพวงมาลัยใบยไม้อย่างสวยงามเมื่อได้เลิอกอันอุดมได้มีการเชิญเทวรูปของพระพิคเนสวนเข้าสู่ปรมเราก็มีพิธีบูชา<อ>เพื่อขอให้เทพเจ้าพระองค์นั้นช่วยขจัดอุปสรรค และอันตรายทั้งปวงที่จะบังเกิดแก่พิธีอันเป็นมงคล น, นั้นพระผู้โรหิตผู้ประกอบพิธีได้เข้าสู่ปรมแวดล้อมด้วยพราหมณ์ร้อยแปดซึ่งได้รับเชิญมาสู่พิธีท่านผู้ ส, งส่งศีลพิธีแต่งงานวันแรกของข้าพเจ้า สุดสิ้นลงด้วยการเลี้ยงอาหารอันประณีตแก่ตามและแขกเรือที่ได้รับเชิญข้าพเจ้าและปัตมวดีก็ได้รับเลี้ยงเช่นเดียวกันแต่มีพิธีประกอบมากมายข้าพเจ้าและปัตมวดีรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนไม่มีกําลังใจที่จะจดจำอะไรได้อีกได้แต่กระทำไปอย่างเสียไม่ได้ตามคําสั่งของปรางปุโรหิตเท่านั้นแต่ก็ได้พยายามอดทน ต่ความเหน็ดเหนื่อยทั้งปวงเป็นอย่างดีเพระาะทราบดีว่าพิธีทั้งปวงที่มีขึ้นด้วยความปรารถนาดีของทุกฝ่ายเพื่อความสุขของเราทั้งสองนั่นเองพิธีในวันสุดท้ายสิ้นสุดลงด้วยขบวนแหอันโมโหลานข้าพเจ้าและปัตถมวดีได้ขึ้นสู่เสลียงอันวิจิตถูกหามเข้าขบวนแห่ไปทั่วเมืองตามถนนทน ท, นทางมีญาติมิตรและคน ผู้ปรับธนาดีมาคอยต้อนรับโปรยข้าตอกดอกไม้และส่งของขวัญต่างๆให้แก่เราในที่สุดพิธีวิวาห์มงคลอันมโหฬารก็ยุติลงพร้อมด้วยความพอใจของทุกฝ่าย